รมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงดำริว่าเมื่อเราไม่อยากให้เสด็จพระราชาก็จักเสด็จครั้นเสด็จไปแล้วก็จักถึงความพินาศใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะถือพระราชดำรัสของพระราชาผู้พระราชทานยศเห็นปานนี้แก่เราไว้ในใจแล้วไม่สนองพระเดชพระคุณของพระองค์ความคารหาก็จักมีแก่เราบัณฑิตเช่นกับเรามีอยู่ เพราะเหตุอะไรพระราชาจากพินาศเพราะฉะนั้นเราจะล่วงหน้าไปก่อนพระองค์แล้วเฝ้าพระเจ้าจุลนีสร้างนาครเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเจ้าวิเทหราชทําให้เป็นนครที่จําแนกดีแล้วให้ทําอุโมงค์เป็นทางเดินยาวราวหนึ่งคาวุธอุโมงค์ใหญ่ราวกึ่งโยธแล้วอภิเศกพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต ให้เป็นบาทบริจาริกาแห่งพระราชาของเราในเมื่อพระราชาร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลนิกายสิบแปดอโคพินีแวดล้อมตั้งอยู่เราจะปลดเปลื้องพระราชาของเราให้พ้นไปดุดเปลืองดวงจันทร์จากปากอสุรินทร์าราหูชนั้นแล้วพาเสด็จสู่พระนครมิถิลาชื่อว่าราชกรณียกิจที่จะมีมาของพระราชา ต้องเป็นภาระธุระแห่งเราเมื่อมโหสดดำริอย่างนี้ก็เกิดปีติในสรีระด้วยกำลังแห่งความปีติมโหสถเมื่อจะเปล่งอุทานจึงกล่าวกึ่งคาถาว่าบุคคลบริโภคโภคสมบัติในเรือนของผู้ใดพึงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นทีเดียวเนื้อความของกึ่งคาถานั้นมีว่า บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้อิสริยยศใหญ่บริโภคโภคสมบัติแต่สำนักของพระราชาใดพึงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลที่เป็นความเจริญแต่พระราชานั้นแม้จะทรงด่าบริพาศประหารจับคอคร่าออกไปก็ตามด้วยทวารทั้งสามมีกายทวารเป็นต้นบัณฑิตทั้งหลายไม่พึงทำกรรมคือการประทุสรายมิตรเลย ครั้นดำริดังนี้แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรส่วนหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์จะเสด็จไปอุตรปัญจาะนครหรือพระราชาตรัสตอบว่าเออจะไปเมื่อเราไม่ได้นางปัญจาลจันทีจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติ เจ้าอย่าทิ้งเราจงไปกับเราประโยชน์สองประการคือเราได้นารีรัตนะและราชมตรีของพระเจ้าจุลนีกับเราจาักตั้งมั่นจักสำเร็จเพราะเหตุเราทั้งสองไปในกรุงปัญจาละนั้นลำดับนั้นมโหสถเมื่อจะทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์จักไปก่อนสร้างพระราชนิเวศเพื่อพระองค์ พระองค์ควรเสด็จไปในเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวมากราบทูลเมื่อทูลอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าข้าแต่พระจอมประชาชนเอาเถิดข้าพระองค์จักไปสู่ปัญจาลบุรีที่น่ารื่นรมดีก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศนี้ถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศข้าแต่จอมกษัตริย์ครั้นข้าพระองค์สร้างพระราชนิเวศถวายแล้ว ทรงข่าวมากราบทูลพระองค์เมื่อใดพระองค์พึงเสด็จไปเมื่อนั้นบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าแด่พระเจ้าวิเทหาราชเมเทหัตสระได้แก่แด่พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าวิเทหาราชคำว่าพึงเสด็จไปเอยาสิได้แก่พึงเสด็จมา พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นก็ทั้งทรงราเริงทั้งทรงโสมนัสด้วยเข้าพระหฤทัยว่ามโหสถไม่ทิ้งเราจึงดำรัสว่าเน่พ่อมโหสถเมื่อพ่อไปก่อนพ่อควรจะได้อะไรไปบ้างครั้นมโหสถกราบทูลตอบว่าควรได้พลและพาหณะไปจึงตรัสว่าพ่อปรารถนาสิ่งใดจงเอาสิ่งนั้นไป มโหสดจึงกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดให้เปิดเรือนจาสี่เรือนให้ถอดเครื่องจําคือเซ้ตรวนแห่งโจรทั้งหลายทรงไปกับข้าพระองค์ครั้นพระราชานพระระาชานุญาตให้ทำตามชอบใจจึงให้เปิดเรือนจําให้พวกโจรที่แกล้วกล้าเป็นทหารใหญ่ผู้สามารถยังกิจการในที่ที่ไปแล้วไปแล้วให้เสร็จแล้วกล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงบารุงเรา ให้สิ่งของแก่ชนเหล่านั้นแล้วพาเสนาสิบแปดเหล่าผู้ฉลาดในศิลปะต่างๆมีช่างไม้ช่างเหล็กช่างหนังช่างศิลาช่างเขียนช่างอิฐเป็นต้นไปให้เอาเครื่องอุปกรณ์เป็นอันมากมีมีดขวานจอบเสียมเป็นต้นไปด้วยเป็นผู้มีกองพลใหญ่พอมล้อมออกจากนาครไป พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตได้ไปสู่บุรีที่น่ารื่นรมดีของพระเจ้าปัญจาลราชก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้าวิเทหาราชผู้ทรงยศภายพระมหาสัตว์เมื่อไปในที่ทั้งหลายนั้นก็ให้สร้างบ้านบ้านหนึ่งในระยะทางโยอดหนึ่งหนึ่งแล้วกล่าวกับอมรทคนหนึ่งหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายจงเตรียมจัดช้างมา้าและรถไว้ในการเมื่อพระเจ้าวิเทหาราชรับพระนางปัญจาลจันทีกลับไปแล้วพาพระราชาเสด็จไปป้องกันเหล่าปัจจามิตรให้เสด็จถึงกรุงมิธิลาโดยเร็วสั่งชนี้แล้ววางอมาตย์คนหนึ่งหนึ่งไว้ก็ครั้นมโหสดไปถึงฝั่งคงคาจึงเรียกอมาตย์ชื่ออานัตกุมารมาสั่งส่งไปว่า อาณัน ท, ท่านจงพาช่างไม้ส0 0ร้อยคนไปเหนือคงคาให้ถือเอาไม้แก่นสร้างเรือประเมินสาณ3้อยลำแล้วถากไม้ในที่นั้นนั่นแหละบรรทุกไม้เบาๆเต็มลำเรือเอามาโดยพลันเพื่อสร้างเมืองส่วนมโหสดเองขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นนับทางด้วยหมายเท้าก้าวไปจำเดิมแต่สถานที่ขึ้นจากเรือก็กำหนดว่าที่นี้กึ่งยศ อุโมงใหญ่จักมีในที่นี้นครที่ตั้งพระราชนิเวศแห่งพระเจ้าวิเทหราชจักมีในที่นี้จําเดินแต่พระราชนิเวศนี้อุโมงค์เป็นทางเดินจักมีในที่ราวหนึ่งคาวุฒิจนถึงพระราชมณีน์กาหนดชนีแล้วเข้าไปสู่กรุงอุตตรปัญจาละพระเจ้าจุลณีทรงสดับว่ามโหสถมาถึงก็ทรงโศมนัตยิ่งว่า บัดนี้ความปรารถนาของเราจะสำเร็จเราจะเห็นหลังแห่งเราปัจจามิตรเมื่อมโหสถมาพระเจ้าวิเทหราชจากมาไม่ช้าทีนั้นเราจะฆ่าฆ่าศึกทั้งสองเสียสเสวยราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิน้นกรุงอุตรปัญจาละทั้งสิน้นเออกระเลกโกลาหนว่าได้ยินว่าคู่นี้ชื่อมโหสถบัณฑิตได้ยินว่า พระราชาร้อยเอ็ดอันมโหสถนี้ให้หนีไปเรากับบุคคลไล่กาให้หนีไปด้วยก้อนดินพระมหาสัตว์ไปสู่พระทวารในขณะที่ชาวเมืองดูชมรูปสมบัติของตนอยู่ให้กราบทูลพระเจ้าจุลณีให้ทรงทราบครั้นได้รับพระราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งลำดับนั้น พระเจ้าจุลนีทรงทำปฏิสันฐานตรัสถามมโหสถว่าพระราชาของเจ้าจกเสด็จมาเมื่อไหร่มโหสถทูลว่าจกเสด็จมาในการเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวไปทูลพระเจ้าจุลนีตรัสถามว่าก็ตัวเจ้ามาเพื่อประโยชน์อะไรมโหสถทูลว่ามาเพื่อสร้างพระราชนิเวศแห่งพระราชาของข้าพระองค์ พระเจ้าจุลนีตรัสว่าดีแล้วแต่นั้นก็โปรดให้พระราชทานสเสบียงแก่เสนาของมโหสถและพระราชทานสิ่งของเป็นอันมากและเรือนที่อยู่แก่มะโหสถแล้วตรัสว่าแน่พ่อเจ้าอย่าเดือดร้อนจงทำราชการที่ควรทำอยู่กับข้าจนกว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมาได้ยินว่ามโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศ ยืนอยู่แทบเชิงบันไดได้กำหนดว่าประตูอุโมงค์อันเป็นทางเดินจักมีในที่นี้ความปริวิตกได้มีแก่มโหสถว่าพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเจ้าจงทากิจที่ควรทำแก่พวกเราบ้างดังนี้ในเมื่อขุดอุโมงค์ก็ควรให้ทำอย่างที่บันไดนี้จะไม่สุดลงลำดับนั้นมโหสถจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีอย่างนี้ว่า ข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์เมื่อเข้ามาเฝ้ายืนอยู่ที่เชิงบันไดตรวจดูนวกรรมในที่นี้เห็นโทษที่บันไดใหญ่ถ้าข้อความที่กราบทูล น, นี้ชอบด้วยพระราชดำริข้าพระองค์จะเอาไม้ทั้งหลายมาปูลาดลงให้เป็นที่พอใจพระเจ้าจุลณีทรงอนุญาตมโหสถกำหนดดีแล้วว่าช่องประตูอุโมงค์จกมีในที่นี้ จึงให้นำบันไดออกเสียให้ปูลาดแผ่นกระดานเพื่อต้องการมิให้ฝุ่นในที่ที่จะเป็นประตูอุโมงค์และพาดบันไดไว้ตามเดิมมิให้วันไว้มิให้สุดลงได้เมื่อพระราชาไม่ทรงทราบโทษที่จะพึงมีก็เข้าพระหฤทัยว่ามโหสดทำด้วยความพักดีในเรามโหสดให้ทำนวกรรมตลอดวันนั้นอย่างนี้แล้ว รุ่งขึ้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าข้าพระองค์พึงเลือกหาสถานที่ประทับแห่งพระราชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์พึงปฏิบัติทำให้ชอบใจพระเจ้าจุลนีตรัสว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตยกเสียแต่พระราชนิเวศของข้านอกกนี้ในกรุงทั้งหมดเจ้าปรารถนาที่ใดเป็นพระราชนิเวศของพระเจ้าวิเทหราช เจ้าจงเอาที่นั้นมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์เป็นแขกมาทหารราชวัลลบของพระองค์มีมากคนเหล่านั้นครั้นเมื่อข้าพระองค์เอาเรือนของเขาก็จะเกิดทะเลาะกับพวกข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จะทำอะไรกับพวกเหล่านั้นได้พระเจ้าจุลนีตรัสว่าแน่บัณฑิต เจ้าอย่าถือเอาคำของพวกนั้นสถานที่ใดเจ้าชอบใจเจ้าจงถือเอาสถานที่นั้นทีเดียวมโหสดจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่สมมติเทพพวกนั้นจกมากราบทูลพระองค์บ่อยๆความสพราญแห่งพระหฤทัยของพระองค์และความสบายใจของข้าพระองค์จกไม่มีก็ถ้าว่าพระองค์ทรงปรารถนา คนรักษาประตูควรเป็นคนของข้าพระองค์จนกว่าข้าพระองค์จกหาสถานที่เป็นพระราชนิเวศแห่งพระราชาของข้าพระองค์ได้แต่นั้นพวกนั้นเข้าประตูไม่ได้ก็จักไม่มาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จักทรงพระสําราญและข้าพระองค์ก็จักสบายใจพระราชาจุลนีทรงอนุญาตพระมหาสัตต์ตั้งคนของตนไว้ในที่ทั้งปวง คือที่เชิงบันไดหัวบันไดและประตูใหญ่สั่งว่าพวกเจ้าอย่าให้ใครใครเข้าไป